วันนี้เป็นวันธรรมสวระที่ตามภาษาเราเรียกว่าวันพระและก็เป็นวันศาสตร์ที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าวันเข้าประดับประดินพูดตามภาษาอย่างหนึ่งเยวาวันศาสตร์ศาสตร์ลาวศาสตร์นี่ไม่ใช่ว่าเป็นศาสตร์พระมันเป็นศาสตร์จัก ศาจะก็หมายถึงว่าพูดพีปีศาสนี่ก็หมายถึงพี่น้องพ่อแม่เราทั้งหลายที่ล่วงลับไปเนานที่กับปีศาสตามประเพณีภาษาบ้านเราลูกหลานเมื่อคิดถึงครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณบุตรญาติพี่น้องทั้งหลายที่ล่วงลับไปถึงวันเดือนเก้าในกางภรรษานี่เดือนเก้ามีหลับ ให้ชวนกันสร้างบุญทำบุญเพื่อปลารบถึง ญ, ญาติพี่น้องเราทั้งหลายที่ดวงรับไปแล้วนั่นทุกปีแต่สมัยโบราณเราวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเข้าประดับประยินต้องเอาใบไมไ้มาหอ่อข้าวหอ่อปลาหอ่ออะไรแจกเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะมีสมัยอา จ, จะมาเป็นเนนในน้อยนัน่นแหล โยมจะต้องเอาข้าวเอาปลาเอาผลไม้ทั้งหลายนั่นนะ่ะหอ่อแล้วยายมีความหมายว่าจะให้พ่อเรามากินให้แม่เรามากินอืกล้วยใบหนึ่งกรตัดสามครึ่งสี่ครึ่งพริกลูกหนึ่งกรตัดสามตัดเตยเจ็บว่าบุญปีศาจเราลองคิดเถอะหากว่าเราตายไปนะลูกหลานเราจะให้ข้าวกินปีละครั้ง ร้อยไ่ถึงลูกเลยจัดสองที่สามที่สี่ที่ข้าวก็นิดหนึ่งเท่านี้หอ่อใบใบไม้ก็ทิ้งไปตามฝากําแพงนั่นพวกเราทั้งหลายจะกินไหมพอไหมแล้วให้กินปีละครั้งด้วยบุญขาา่าวสาอีอันหนึ่งให้กินอีกทีหนึ่งชองปีเท่า น, นั้นอ่ะปีหนึ่งให้กินสองโหน เราประกันกินวันหนึ่งกี่ครั้งทุกวันนี่ขนาดนั้นมันยังก็ไม่สบายนี่เดี๋ยว่าซักเดี๋ยวทำกันถ้าเราทํำไปแล้วกนนึกว่าประเเฟนีเคยทํากันแล้วก็แล้ ว, ลวไปตัวลูกหลานก็ดีใจเพราะเขาด้วยเป็นผีเป็นปีศาจจะกินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้อิม่มหรือไม่อิม่มก็ไม่รู้เรื่อง เป็นเป็นประเพณีที่ทำกันมานี่เรียกว่าบุญ ม, มีปาลารบถึงญาติพี่น้องที่ตายไปนั่นที่ยังไม่ได้เกิดอันนี้คงจะเป็นอุบายให้คุณตาบูตรลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ให้กันเข้าวัดเขาวาวันนี้หากว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายที่ไปตกนรกอยู่เนี๋ยวเขาก็ปล่อยมารับสยทาน ทุกคนก็ต้องหาเวลามาเพราะคิดคิดถึงพ่อแม่ลูกหลานของเราที่ล่วงลับไปก็จึงพากันมายกเอาพ่อหรือแม่ญาติพี่น้องเราทั้งหลายึเป็นตัวอย่างลูกหลานก็เห็นนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงหลานที่ตายไปก็พากันมาทําบุญวันนี้อืนี่นี่ความลึกถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลายที่มันเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นเป็นเหตุให้เรามาที่นี่ ถ้าพูดตามความเป็นจริงให้สันนิฐานง่ายๆผีพ่อผีแม่ก็คือพวกเรานั่นแหละมีแต่แม่เราจะเกิดมาได้ไหมนั่นมีแต่พ่อเราจะเกิดมาได้ไหมนั่งเนี่เนี่ยนี่คือผีพ่อผีแม่อันนั้นมันเป็นอดีตที่มันล่วงไปแล้วนานฉะนั้นพวกเราทางไหนอย่าพึ่ง พยายามให้ลูกหลานทำบุญไปหาเราอยาให้เขายุ่งกับเราเข้าสาคอหนึ่งเข้าสามนิ้วนี่พอไหมวันนี้นี่เป็นพิธีการที่ทำมาเฉยๆแล้วส่วนบุญกุศลที่แท้จริงคือเราทำให้จิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลเราจะหยิบอันนี้ไปให้ทาน หยิบม น, นี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้เพราะเพมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อเรามือเมื่อมันจนแต่ทําให้จิตเรามันเป็นบุญทุกเสียงทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่นอนมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทําอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้น ช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทําบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัทธุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทํางานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทําบุญะคือทําจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก อย่างญาติโยมทางไหนจะมาช่วยกันสร้างสลาหลังเนี้ยมันก็มาด้วยบุญคือจิตมันเป็นบุญมันถึงเสียสละสิ่งของทางบ้านเรามาสร้างวัดนี่ช่วยกันทาบุญอันนี้มันเกิดมาจากจิตไม่ใช่เกิดมาจากอย่างอื่นไม่ใช่บามันเกิดมาจากพัสดุสิ่งของพัสดุสิ่งของมันเกิดมาจากจิตถ้าเราไม่หยิบมันออกมามันก็ไม่เป็นบุญ แคนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งเตียงสอนว่าเราทําบุญกันให้จิตมันเป็นบุญถ้าจิตมันเป็นบุญมันจะเป็นบุญทุกเวลานั่งแล้วก็จะได้นั่งบุญนอนก็จะได้นอนบุญเดินจะได้เดินไปตามบุญทุกคนจะอยู่ด้วยบุญความอิจฉาความพยาบาทความอิจฉาตาลอนตานมันก็ไม่มีเพราะจิตเราดีจิตเราเป็นบุญมันก็ยิ่งให้เป็น เกิดเหตุใน้เป็นบุญไปทุกวันทุกเวลาออันนี้เสนอบุญข้างในเช่นว่าเราคิดถึงพ่อแม่เราเหมือนกันพ่อแม่เราอยู่ตรงไหนก็พ่อแม่เราที่นั่งอยู่นี่แหละคนคนหนึ่งมีทั้งพ่อมีทั้งแม่ถ้ามีแม่ยังเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ามีพ่ออยังเดียวก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์วันนี้พระพุทธองค์ท่านปาฏารยทั้งหลายท่านสอนว่า ให้ทำบุญให้ผีพ่อแม่ผีพ่อผีแม่ก็คือตัวเราคนหนึ่งนี่เองมีทั้งแม่มีทั้งพ่อที่มานั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่อีกดฉะนั้นท่านจึงนึกถึงบิ ด, ดาละมารดาครูบาอาจารย์ถ้าเราจะคิดถึงบิ ด, ดามารดาแล้วก็คือตัวของเราเนี่ย พ่อแม่เรารักเราก็เพื่อจะให้เราเป็นคนดีถ้าเรามาสร้างกายวาจาของเราให้เป็นคนดีแล้วมันก็ไม่มีมีเรื่องอะไรอา น, นิสงส์ทั้งหลายมันก็นึกมันถึงคุณพ่อแม่ของเราที่เป็นเจ้าของรูปนามอันนี้ใ ห, ให้ให้ไปคิดดูเนี่ยถ้าพูดให้เห็นชัดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แค่นั้นทุกคนเรา มีร่างกายอวัยวะอันนี้คือของพ่อแม่มรดุของพ่อแม่อย่าเอาร่างกายจิตใจของพ่อแม่นี้ไปทําความชั่วทํากรรมชั่วโดยกายด้วยวาจามันไม่ดีมันเป็นบาปถ้าให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่จําเป็นที่จะเอากายนี้ไปทําความชั่วเอาวาจานี้ไปทํำความชั่วเพราะเราเคารพพ่อแม่เราเพราะตัวนี้เป็นพ่อแม่เราแล้วเป็นมรดุของพ่อแม่ เราได้รับมรดกตกทอดจากร่างกายนี้มาจากพ่อแม่ของเราแล้วเราต้องมาใช้ร่างกายมรดก น, นี้ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราเป็นคนดี <c oughs> เรามีศีลธรรม <c oughs> เป็นต้น <c oughs> ก็เรียกว่าเราคารมพ่อคารมแม่คารมครูบาอาจารย์ไปในตัวนั่นเองฉะนั้นการทําบุญทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ปลารลครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะคนเราจะต้องเคารมครูบาอาจารย์ เพราะคนเราจะต้องคารพพ่อแม่เ <c oughs> มื่อหากว่าพ่อแม่ทำบุญหาพ่อแม่ก็ชอบใจอยู่ที่ไหนพยายามสั่งกันมาขนาดที่ว่าเราไปอยู่กรุงเทพไปอยู่จังหวัดต่างๆในประเทศต่างๆดูสิทางบ้านเออพ่อแม่เรามาแล้วพ่อแม่เราคืนมาแล้วยังไงก็ต้องรีบมาทุกคนเลยเพราะว่าพ่อแม่เราตายไปนานแล้วบัดนี้พ่อแม่เรามาแล้ว ทำนายังไม่เสร็จก็ต้องมามาดูซะก่อนอ ม, มันกระตือเรือร่อนไหน้เพราะความระลึกคิดถึงนี้การกระทำบุญทุกอย่างเราก็ถึงบะไปบังสกุลของพ่อแม่เผื่ออุทิศให้ปารกเป็นมามเพราะเป็นบิดามารดาที่เคารพของคุณบุตรทิดาทั้งหลายวันนี้ก็เป็นกันแฉีนนั้นตามพระโสดวันนี้ปล่อยสัตว์ออกจากนากเป็นส่วนมาก ปล่อยขาดออกจากนานรกเนี่ยเพื่อจะได้มากินของทานของลูกหลานที่ให้อุทิศไปวันนี้นี่อความหมายทีนี่ที่ปล่อยออกจากงานรกก็คือพวกเราสังหลายในวันนี้สาระการงานไว้ออกจากความทุกข์ออกจากความยากออกจากความความลำบากและพยายามมาวันนี้เป็นวันปีศาจเป็นวันเข้าประดับประดินยังยังไงก็พากันมามาสิ่งที่มันลําบากน่อยก็สระมา มันขัดข้องก็มาให้มันขัดข้องพยายามมามาฟังธรรมะให้มันรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะนี่จะเป็นยังไงบ้าเราจะรู้จักว่าเรามาอยู่นี่เรามาจากไหนกันินอยู่ี่กี่ปีอยู่อยู่กับใครอยู่นี่อยู่กับใครแต่ไปจะไปที่ไหนอีกใครจะเป็นคนนำไปถ้ารู้จักธรรมะมันจะรู้สิ่งทั้งหลายแล้วนี่หมดละ ถ้าไม่รู้จักธรรมะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องก็มันก็เหมือนสัตว์เหมือนไก่ตอนเช้ามาก็โรงจากบ้านแล้วก็ปลุกรูปไปหากินเนี่ยกระทั่งวันเราเข้ามาในโลกตอนเช้ามาก็ไปอีกมันด้นึกถึงอะไรก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับสัตว์ไม่แปกกันกับไก่ หาก like so AN ินไปเป็นมันวันมันมันมันมันมันมเท่านั้นผลที่สุดว่าเราอยู่นี่จะอยู่เพื่ออะไรอืมมาจากไหนมาอยู่ที่นี่เราจะไปที่ไหนอีกต่อไปแล้วใครเป็นคนที่นําไปนี่ไม่รู้จักเหมือนไก่อืไม่รู้จักเหมือนกันเขาไกลอาศัยกินไปเป็นมันวันมันมันมันไม่สวมป่าถนาอย่างไกลเนี่ย ไก่ตัวไหนที่มันเลี้ยงลูกโดดๆกันนัเจ้าของเขาชอบรักน่ารักลูกมันดกเมื่อมันโตมาแล้วเขาจับลูกไปขายในหลายบาทถ้าตัวไหนลูกไม่เคยดกแล้วไม่ไม่ได้เราไม่รักคนเขารักอย่างนั้นลูกโดดๆหลายตัวมันจะขายได้เงินหลายไก่ไม่รู้เรื่อง เลี้ยงดูขึ้นมาแล้วเขาเอาข้าวให้กินวิ่งหุ้มตัวอยู่เช่นนั้นน่ะอืสิบตัวยี่สิบตัวเจ้าของเป็นคนเลี้ยงเขาก็ดีใจไก่ครขบหลายตัวเอาข้าวกินทุกวันทุกวันในในายนวันก็ากระจับยกขึ้นดูลองทุกทุกทุกทุกุ ก, ก, กคนเขาจะเออมันหนักถึงสองกิโลเลยดียังแต่ไก่นึกว่าเจ้าของรักเรา คิดไปคนเดียวกัไก่คิดไปอย่างหนึ่งเจ้าของไก่คิดไปอย่างหนึ่งน้ำหนักมันถึงสองกิโลแล้วหรือยังถึงสามกิโลแล้วหรือยังถ้ายังไม่ถึอก็ปล่อยไปอีกต่อไปเอาข้าวกินให้มากเอาให้มันโตขึ้นจับรูบคลำอยู่เรื่อ ย, อยไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักตัวเรานาะพอร้องกู้กู้กู้วิ่งมารอบตัวเรื่อยๆดีใจหลายเจ้าของเอาข้าวให้กินเนาะ ไมไ่รู้สึกตัวหลายบ้านเนี่ยเขาจับยกดูอีกอเนม่ยถึงสองกิโลเราหรือยังไก่ก็ทุกๆนึกว่ามันสบายใจนึกว่าเขารักเรายังไม่ถึงสองกิโลก็เรียงไปอีกอนานๆไปก็จับดูอีกอืถึงสามกิโสี่กิโลเราเอาแล้วเอาจับอืจับใส่กระถอเขาเห็นหมด้ยอืมหาบลงไปนู่นใส่รถลงไปนู่นเนี่รู้เรื่อง ไก่ก็นึกว่าเจ้าของเอาเรานั่งรถสบายขันตรงนี้ตรงนี้ไปนู่นสบายอืมเจ้าของโดยจังว่า ก, กิโลหนึ่งมันเท่านั้นไก่อยู่นี่กี่ตัวมันเท่านั้นร้อยเขารู้จักไก่ไม่รู้เรื่องอืมไปถึงเอาไปนู่นให้เจ๊กหูวเก็กอ่านนู้นน่ะจับว่ากันไปถึงเวลาเจ๊กจับออกมากระถอนขนคอนี่ ยังนึกว่าเขาทําความสะอาดให้เราอีกแล้วยังไม่รู้จักว่าเขาจะทําอะไรให้เราอีกล่ะสบายใจเ อ, อ <_ S 1> เขาทําความสะอาดค้นคอให้เราแล้วมั้งเนี่ยนั่นคือไม่รู้เรื่องจนกลัวว่าเขาเอามีดเฉียดคอเนี่ยรู้จักหมดนี่คือคนไม่รู้จักที่อยู่ของเราไม่รู้จักที่มาของเราไม่รู้จักที่ไปของเราก็อยู่กันอย่างไก่อยู่ไปอยู่ไปถึงคราวที่จะ ลากันจากจากโลกเนี่ยก็ร้องไห้เท่านั้นแหละร้ อ, องไห้ไม่รู้ว่าร้องไห้อะไรร้องไห้คนตายก็ร้องไห้นี่มันมันคิดอย่างนี้เมื่อวันซื้นนี่ก็มีมาเหมือนกันไมา่จากอำนาจเจริญอาจจะมานั่งอยู่กับพระโพะพระโพก็นั่งอยู่มาก็พูดเสียงสัน่นเสียงสายเนื้อเรื่องมันใหญ่ เขายังไม่พูดคำว่าเรื่องมันใหญ่เต็มทีทุกยากลําบากหลายถามคำมันเรื่องอะไรโยมเขาได้บอกว่าเมียผมตายอันตรมาตกใจนึกว่ามันเรื่องใหญ่เว้ยมันเรื่องคงตายมันเรื่องธรรมดาด้วยโยมไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่นั่นแหละเรื่องคนตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องเกิดจะมันใหญ่กับเรื่องตายไม่รู้เรื่อง มันตายโยมทิ้งจะมาร้องไห้เกิดร้องไห้หรือเปล่าเน่ะไม่ไม่ไม่ไดร้องไห้เนี่ยเห็ mm. นตายมันเป็นเรื่องใหญ่ตายมันมาจากไหนมันมาจากเกิดนั่นไม่รู้เรื่องได้บอกคําว่าถ้าคุณควรจะร้องไห้อะร้องไห้แต่มันเกิดมาดีกว่าพอตกออกมาร้องไห้เนี่ยตายแล้วมาอีกจนะน้อมาตายอีกแล้วเนี่ยดีกว่ามึงอันนี้เกิดขึ้นมาละหัวเลาะกันแพ้เอาเล่ามากินอีกว่าอบะเมื่อตายแล้วร้องไห้อะ เียเ่ยมันสายซะแล้วล่ะนี่นี่คือความคิดคนไม่ยังไม่ถูกต้องมันเรื่องเกิดก็เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราท่านยังไห้พิจารณาว่าเรื่องเกิดแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดานี่ตายเเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมดาเขาเหมือนกันกับเราเราก็เหมือนกันกับเขาถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เรียกว่าคนนั้นจิตเขาจะเข้าไปบรรลุธรรมะ เมื่อจิตเห็นเช่นนั้นน่ะจิตเรานั่นนะก็ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนอกจากความดีของเราจิตจะสร้างไว้เท่านั้นจะเอาอะไรไหมบ้านหลังโตๆนี่ก็เมื่ อ, อไรเขาจะเอานี้จากนี้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องหมายของเราเลยมีเรื่องความดีคือเรื่องธรรมะผู้เป็นธรรมะแล้วได้เมตตาคนหลายยิ่งดียิ่งสร้างความดีเหล่ายิ่งมากยิ่งดีใจยิ่งสบายใจยิ่งมีที่พึ่งมาก ถึงแม่ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงไปเป็นผลใจแล้วก็สบายแล้วจะยังอยู่ก็สบายอย่างวันนี้สิพ่อแม่เราตายไปแล้วไงจำไหมสมมติว่าวันนี้เป็นวันผีนวันปีศาจวันศาสตร์อืมเรียกว่าปีศาจทงางไหนอาศัยกินวันนี้พวกเราเป็นลูกหลานเราคงไม่รู้เรื่องอไอ้ความเป็นจริงเป็นอุนาบายของนักราชปีนหนึ่ง ทำบุญกลางพรรษานี่จะปาเอาอะไรมาปาลบนะทำบุญปา ร, รบแมวเราด้วยไม่เอาสุนัขเราตายเอามาปา ร, รบหรือไม่เอาพ่อแม่เราตายเอาสิพ่อแม่เป็นบุคคลที่มีคุณกอปารลบแต่ทำบุญถึงพ่อแม่พวกเราทํ้งหลายก็ร่วมใจสร้างอกกลางใจมาเท น, นี้อันนี้เนี่ยที่เราร่วงรับไปแล้วว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จักช่วยเกิดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จัก แล้วก็ทําบุญไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยน่ไม่รู้จักฉะนั้นพระบรมศาสด า, าท่านไม่ไดยมที่คนตายไปแล้วท่านนิยมที่คนยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เองตกนรกก็ตกในปัจจุบันอยู่ในสวรรค์ก็อยู่ในปัจจุบันสร้างความดีก็อยู่ในปัจจุบันสร้างความชั่วก็อยู่ในปัจจุบันให้รู้ในปัจจุบันนี้ไม่ต้องดูอื่นไกลแล้วเราจะรู้จัก รู้จักตัวของเราในเรื่องของเราให้เรารู้เราเองไม่ต้องไปวินิจฉัยคนอื่นเา้าคนอื่นเขาว่าเราเป็นอย่างนโน้นว่าเราเป็นอย่างนี้มันมันมันเป็นเรื่องทางนอกเรื่องทางในวินิจฉัยตัวเราดีกว่าเขาว่าเราทำผิดเราก็สบายเราอยู่เพราะเราเห็นเราอยู่เขาว่าเราทาถูกแล้วก็ไม่สบายอยู่เพราะเราทำผิดอยู่เนี่ยมันตรงไปตรงมาอย่างนี้อืม เราทำดีเขาเอาเราทำชั่วเราก็สบายอยู่เพราะความดีอยู่กับเราไอ้ความชั่วคนอื่นเขาว่าเนี่ยถ้าเรารู้จักธรรมะดังอย่างนี้สบายมันก็สบายไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จกักไอ้การการะทำเช่นนี้เป็นผู้นําเราทำดีใน ด, ดีทำชั่วได้ชั่วเอทำดีก็คือความดีผลของความดีที่มันเกิดขึ้นมามันไม่มีโทษบาปก็คือเรียกว่าจิตใจของเรานีไม่สบาย พูดง่ายๆเลยว่าวันนี้พ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันใช่ไวันนี้นั่นแหละตกนรกแหละหโกหกกันแล้วผัวก็โกหกให้เมียเมียก็เกิดให้ผัวแต่เรานั่นไม่รู้จักว่าตกนรกมันจึงหานารกไมพบอืทราบพูดถึงนรกก็มองก็ไปพื้นประจพีนู้นอยู่นู่ น, นตกนรกนสวรรค์อยู่ตึบบนข้าคิดไปอย่างนั้นวันนี้เราตกนรกไม่รู้เรื่องนะ เพราะการน้ำตาไหลอยู่ตลอดพืนก็ไม่ดูเรื่องว่าเราตกนรกที่เรียกว่านารกมันเป็นภาษาคำพูดของคนเราไอ้นรกนั่นน่ะไอ้นรกน่ะคือตรงเนี้ยมันมีความผิดนี่ความผิดอยู่ตรงนี้อืเช่นเช่นว่าไอ้เตาไฟมันอยู่ตรงนี้นั่นคือตัวนรกอืมถ้าเราไปเหยียบเตาไฟนั่นมันเป็นทุกข์ ใครเป็นทุกข์คนนั่นเป็นสัตว์นรกตรงไหนมันให้ทุกข์กับสัตว์ตรงนั่นเป็นนรกนี่ก็ได้ความดีแล้วตรงไหนมันผิดตรงนั่นเป็นนรกถ้าเราไปทําตรงนั้นเราก็ทําผิดเราก็ตกนรกความทุกข์เกิดเป็นมายกตัวอย่างเนี่ยอันนั้นเป็นของนายคอรู้แล้วอันนั่นเป็นนรกถ้าใครอยากจะได้ของนายคอก็ไปขโมยเอาเขาก็จับ ติดตรางคนนั่นเป็นสัตว์นรกเท่านี้เองอืมอมันเป็นภาษาสี่คาพูดกันในหลายอย่างท่งนนะไม่รู้จากบาปไม่รู้จากบุญไอ้บาปบุญก็เหมือนกันบาปบุญคือความดีที่ปราศจากโทษมีอยู่ในใจของเราไม่อิจฉาตัวเองไม่อิจฉาคนอื่นไม่มีทุกข์มีร่อนเกี่ยวกับใจทั้งนั้นเนี่ยมีความสุขสงบนี่เรียกว่าบุญนี่เรียกว่าบุญอืม บาปจิตเรามันเป็นทุกข์ขึ้นในขณะไหนตรงนั้นนะ่ยความทุกข์นั่นแหละเป็นบาปท่านอย่าทำให้จิตมันเป็นบาปให้จิตมันเป็นบุญพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นแต่พุทธบริษัทเราทุกวันนี้ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญมมไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญ ถ้าจะสร้างบุญกว่ากินเหล้าจ้ะทำไปอย่างนั้นจับควายมาฆ่าซะจับั ว, ว้ามาฆ่าซะเรื่องมัเป็นบุญไม่รู้จักนั่นแหละคือบาปถ้าหากว่าเรารู้จักธรรมะจริงๆเขาอันนี้มันเป็นบุญแต่เขาทำบาปแล้วก็รู้จักแล้วทำไมทำมันก็ไม่มีโทษ ฉะนั้นการปัจจุบันนี้เป็นเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดเราควรย้อนนับอายุของเราไปข้างหน้าไม่ควรย้อนนับไปข้างหลังแต่ยี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยไม่ควรนับนับไปข้างหน้ามันจะอยู่ในกี่วันรู้ไหมว่าพรุ่งนี้หรือปรือนี้เดือนนี้หรือนนเดือนหน้าหรือปีหน้ า, นนาใช่ไหมไม่รู้จักถ้านับไปข้างหลังที่เราเกิดมารู้จักเกิดมาทันันปีทันันปีทันันปี มัรู้จกักอันนั้นมันผ่านมาแล้วมันเสียเสียไปแล้วเราจะรอดูปัจจุบันนี้ว่ามันจะอีกกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี้รู้ไหมว่าเราเลยมีกำหนดกันไหมเกิดมาแอ่เท่านั้นจะจากโลกนี้ไปเท่านี้จะจากโลกนี้ไปรู้ไหมไม่รู้ถ้าไม่รู้ไม่ควรไม่ใจมันไม่ควรไม่ใจมันนี่นยังเอาเสืออยู่ในป่าอยู่ในบ้านเราเนี่ยไม่ได้พังในตรงนะ ปิดประตูแล้วเสือเราก็ปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันเนอะล้วก็นั่งอยู่ในบ้านนดเนี่ะปิดประตูซะเอาเสือปล่อยไปในนั้นเพื่อเอางูเอาสราพิษปล่อยไว้ไม่ควรไว้ใจมันมันจะมาชกเราเมือ่อใดก็ได้เออจะนอนมันจะมาชกกระไรแล้วจะนั่งมันก็มาชกกระไรไอ้ความตายของเราคือมันตันเนี่ยแต่เพราะว่าเราไม่รู้นะ่ะตั้งแต่วันนี้ต่อไปเนี่ยไม่จะกี่วันกี่ปีกี่เดือนเนี่ยไม่ควรปล่อยความประมาทเกิดเข้ามาในจิตของเจ้าของวรมีความประหยุดสยองอยู่อย่างนั้น เสมอนั่นแต่คนพูดทีตาอายจะทํามานี่มันเป็นบาปไหมจะพูดอย่างนี้มันเป็นบาปไหมมันผิดไหมมันถูกไหมจะต้องรู้จกักถ้ามันถูกก็ ท, ทําำถ้ามันผิดจะทำนี่มันเป็นบาปเลยนะอย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่มีความประมาทสังบอนอยู่สังรวมอยู่ระวังอยู่เมื่อเราไม่มีโทษโดยประการทางปวงแล้วใจเราก็สบายใช่ไหม จะนั่งอยู่มันก็สบายจะนอนอยู่มันก็สบายอะไรมันก็สบายอยู่มันสบายอยู่ถ้าเราคิดจะเป็นถึงที่ที่เดี๋ยกว่าอาจจะมาเคยบอกว่าอย่างที่สมมุติว่าอาจจะมาหรือใครคนหนึ่งจะทับทำผิดกฎหมายัะอีกสิบห้าวันนี่เขาจะเอาไปยิงเป้านะอย่างอย่างเราทุกคนนะ่ะทํำผิดกฎหมายอีกสิบห้าวันเขาจะาไปยิงเป้าเราจะคิดกันยังไงไหมยังเหลือสิบห้าวันเท่านั้นเนี่ย วันที่สิห้าเขาจะเอาไปยิงเป้าเสร็จแล้วนี่เราจะทํายังไงเมื่อคนมีเรื่องอย่างนั้นมันจะคิดอยู่ยังไงเราลองคิดดูสิอืมกับที่ว่าคนเกิดมาจะต้องตายอย่างนี้นี่วันใดก็วันหนึ่งสิบห้าวันก็ยังมีมาตรฐานนี้มันระู้จักนะอย่างตัวเราไม่รู้เรื่องเลยอาจจะอยู่ไปอีกปีสองปีก็ได้คืนเดียวก็ได้สองนาทีก็ได้ไม่แน่นอนนะ เขไปยิ่งป้าวค่ะสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งกูยังมีกำหนดนะนะมันจะน่าระวังให้เราทั้งหลายไม่รู้เลยบางทีนอนกลางคืนตอนเช้ามาหมดแล้วเนี่ยร้องห้อมลงง่ายกันทํำไมตายเร็วนักมันไม่เร็วหรอกลมออกไปมันไม่เข้ามามันก็จายเท่านั้นแหละเข้ามาไม่ออกมันก็จายเท่านั้นเลยไม่มีเร็วไม่มีช้าช้าก็เร็วอย่าเอามาใส่มันเถอะมันไม่มีความหมายอะไรมันเป็นไปตามเรื่องของมัน อันนี้คือธรรมะให้พวกเราจังไรคิดให้มันดีแจไม่น่าฟังนะอจะมาไปเมืองนอกประเทศจีดแจเคิบตายเขาฟังเขาไม่อยากจะฟังพวกฝรั่งเขาอยากหนุ่มอยู่ใช่ยังงั้นไม่อยากแก่หรือไม่อยากเก็บเลยเขาไม่ยอมฟังอืมไม่ยอมแกอจไม่ยอมแจแต่มันแจไปหนังมันยานมันหย่อนมันจะโยนเหย็บเข้าไปให้มันตึงต่อไปด้วย ไอ้มันหอเจกระดูกกระหนังเท่านั้นก็เอาคนนั้นไะแต่ขนาดนั้นมันก็ยังไม่เหลือเลยนะหนังแก่มันย่นย่นเพาไม่สบายมันไม่สวยก็ไปดึงเขาเย็บเย็บเย็บเข้าเย็บต่อไปมันก็น้อยเขาน้อยก่อเนื้อมันไม่มีมีแต่หนังเย็บนานๆทีก็จมีเจหนังห่อกระดูกยิ่งยิ่งเหลวเลยเนาะอย่างนี้ก็พราเราจะหนีมันนะหนีความไม่สวยในงามหนีความเกิดความแก่ความเจ็บกันไม่อยากจะไปไม่อยากจะทา อย่ามาพูดให้ฉันให้ฉันไม่อยากเลยยินไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากเป็นแต่ว่ามันก็ไม่ฟังนะมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายนะมันยอมรับจ้ะยอมรับแล้วสบายไม่เป็นทุกข์มันเลยอายุของเรามันจะแค่นี้ก็อย่าไปต่อมันอย่าไปตัดมันออกอย่าไปต่อมันเท้า ปล่อยไปตามสภาพของมันมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่มีอำนาจอะไรทั้งหมดนี่ฉะนั้นพระพุทธองค์ตนนึ่งให้รีบทำนะเมื่อเรามีชีวิตยอยู่ในะรีบทำทำก็มีรีบจ้กรีบทําไมเนี่ยเพราะความตายไม่รอวันรอคือนมราไม่รู้เรื่องอย่างนี้ฉะนั้นจิตใจให้รีบทําให้ระวังสังวรสังรวมร ะ, ะวังระวังอืมนะระวังเพราะเราว่าไม่มีอำนาจในตอนนี้ อเมื่อเขาจะากเจ็บตรงไหนก็เจ็บอยากปวดตรงไหนก็ปวดอยากเป็นยังไงก็เป็นไปตามเรื่องเขาอไอ้พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่ได้พิจรารณาที่เรามาพักอยู่เนีนะม่มาอาศัยเขาอยู่นะนี่นนะมาอาศัยร่างกายนี่อยู่คล้ายๆแขกมาจากจังหวัดต่างๆมาจังหวัดอุบลน่ะนะมาเช่าโรงแงรมปทุมรักอยู่เท่านั้นเนี่ยกินสบายนอนสบายอยู่อย่างนั้น ไปเช่าเขาอยู่อย่างนั้นแกถึงเวลาลวเลยเจ้าของโรงแรมมาเออเอาสตางค์มาแต่แกกอไปไอคนนั่นหลงว่าบ้านของหลราฉันไม่ไปหรออันนี้บ้านของฉันนี่ก็ทะเลาะ ก, กันตับกระทุ่มรัฐแล้วเห็นไหกระทุ่มรัฐก็ไม่ยอมเขาว่าโรงแรมเขาไอคนที่ไปเช่าโรงแรมก็ว่าบ้านของฉันทำไมเน่ยก็เกิดคดีฟ้องร้องกันท่นเนี่ยเป็นทุกข์อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ร่างกายของสังขาร ที่เรามาอาศัยอยู่มีของฉัน <c oughs> สังขารจะเป็นไปยังไงก็ไม่อยากให้เป็นไปฉันไม่อยากเป็นฉันอยากอยู่อย่างนี้ฉันไม่อยากแก่ฉันจะอยู่อย่างนี้มันจะอยู่อยู่มันก็ไม่ได้ เ, เราไม่มีอำนาจอะไรทั้งหมดไม่ฉะนั้นองค์สมบิตปะสมาสพุทธเจ้าของเราเจริงๆว่าให้ช่วยตัวเองให้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้ว แล้วเรต้องอยู่กับธรรมะเราอยู่กับธรรมะแล้วจะวางไอ้ความชั่วอะไรเราเจรละมันไปเช่ไเดีือแต่ความดีอืแต่ก่อนมีทั้งความชั่วความดีปะปนกันครั้งแรกทวางชั่วมากกว่าความดีถ้าเชษฐาฟังแล้วกันมาสร้างความดีดีกว่าไอ้ความชั่วรัมันถอะเลละความชั่วได้ความดีได้ความดีเนี่ยก็นึกว่ามันเสร็จแล้วมันเสร็จอีกแล้ว พระพุทธเจ้าไอ้ความดีมันเหลืออยู่นั่นน่ะไอความดีมันจะเสียบังหนึงจะได้แต่วางให้มันดีนะอันนี้ไม่ใช่ของเอาหรอกไปอยู่แล้วอพูดกับพระพุทธเจ้าก็ลำบากให้ละความชั่วฉันก็ละแล้วให้สร้างความดีฉันก็สร้างแล้ววันนี้ยังให้ยังให้ละความดีอีกใจฉนเอาอะไรล่ะไม่อยากได้ความดีปวดความดีจะหายพระพุทธเจ้าอันนี้มันยังในจบมันมีอยู่ปลดเลี้ยงความดีมันจะหายอยู่ เมื่อความดีให้อีกคุณจะเป็นทุกข์อีกยุ่งอยู่ที่นี่นะนึกว่าเสร็จความดีแล้วทั้งสร้างความดีกว่านึกว่ามันจะพอแล้วจะให้ฉันเอาอะไรเลยทีนี้ฉันามาให้เอาอะไรไอ้ความดีก็ทิ้งมันไปเราทําแล้วไอ้ความชั่วก็ทิ้งมันไปเราไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรฉันจะได้อะไรไอ้คนที่อยากได้ก็เสียงก็ไม่หยุดเหมือนกันอยากจะเอาอะไรทันั้ไม่ต้องเอาอะไรนี่ถ้าเาอะไรมันก็มีอะไรเมื่อมีอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็เสีย ถ้าคนมันมีอะไรเลยอะไรก็ไม่เสียมันก็สบายกันอย่างนั้นอืมฟังยากตรงนีฟังยากท่านจะท่านจะจูงกับพันิพาณเนี่ยไม่อยากจะไปอืมมันไม่มีอะไรพันิพาณนั่นกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นพี่เห็นน้องไม่อยากจะไปอยากจะอยู่ตรงนี้แหละอยากอยากจะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องตายอาอย่าตายคนไม่อยากจะตายอีกแล้วจะอยากจะอยู่ตรงไห้ตาย ถ้าไม่อยากตายก็ตรงมาตรงที่มันไม่ตายนี่ตรงที่มตรงนั้นฉันก็ไม่ชอบอยูแ่แหละไม่ชอบมันจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานอะไรก็ทิ้งก็ทิ้งหมดซะแล้วที่นี่ก็เลยเป็นคนลําบากนี่นี่อยากจะไป ก, ก็กลัวจะไม่เห็นลูกหลานอยากจะอยู่ก็กลัวจะตายเลยวุ่นตรงนี้ลําบากกันกันนะก่อนที่จะวางตรงนี้ได้มันลําบากกูโขเหมือนกันไม่ใช่ของเล่นเ่นแต่ว่าพวกเราไม่เอาถึงนานดอกเอาถึงที่พยายามละความชั่ว คือความไม่ดีเนถ้าเราสร้างความไม่ดีว่าไอ้ความไม่ดีมันจะตามไปวันหนึ่งความไม่ดีจะเป็นของเราถ้าความไม่ดีเป็นของเราสบายไหมดีไหมคือในในรูที่ไม่ดีในหัวกี่เล่าอะไรอย่างเงี้ยดีไหมก็ไม่ชอบไม่ชอบพิจารณาไปสร้างความไม่ดีที่สร้างความไม่ดีไอ dream, ้ความไม่ดีก็ตามถึงวันหนึ่งจนได้อย่างนี้เนี่ก็พิจารณายากเหมือนกันนะอืม อาจจะมาเคยไปพกคนกี่เล่ายอมเลิกวันเสาร์เล่ า, าโอ้ยสักพกูึขอทานก่อนเธออีกสักปีก่อนเธอไปแพงความชั่วไปหุ่ความชั่วไว้ไม่อยากจใจความชั่วนี้จากเราจะต้องกับคุปตามขอความชั่วอาจจะมาใหายละความชั่วขอทีเธออีกสักปีก่อนเธอสองปีก่อนเธอะอีกไปเธอะด้วยอีกสเสนอเพราะกลัวมันจะไม่มีชั่วนี่คนขีดําใจต่จตําไม่อยากสร้างความดี แต่ว่าไม่อยากในความชั่วสร้างความชั่วแต่อยากไม่ให้มันชั่วอีกแหละสับสนมากจิตมนุษย์เนี่ยลำบากอืมลำบากอืมมันลำบากหลายมีิฉะนั้นแต่จึงให้ภาวนาถ้าไม่ภาวนาและไม่รู้รื่องธรรมะความเป็นจริงเช่นว่าเราต้องการความดีอย่างนี้ก็นึกว่ามันสุดแล้วดีดีดี ด, ดีทั้งนั้นอืมอืมดี ดีมันเหลือดีแต่แล้วมันก็ไม่ดีใช่ไหมไ ม, ไม่ดีมันเป็นทุกข์อื่ฉะนั้นจริงให้มีทางรอบคอบเอาไปภาวนาพิจารณ า, เ, าเรื่องโลกอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นบันนี้กองันกันฉันนั้นให้เข้าใจว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เราอยู่ตรงไห น, นอยู่ที่เราเนี่ยมันง่ายดีถ้ารบพ่อแม่อย่าเอาไอ้ของพ่อแม่เนี่ย อย่าเอามือนี่ไปทุบหัวไก่ไปทุบหัวเป็ดไปฆ่าสัตว์ไปกินเหล้าไปทำสิ่งโสโครกไว้ในนี้นั่นคนระลึกถึงพุนพ่อแม่เพราะนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่ของเราอยู่แล้วถ้าเคยทำมาแล้วก็ต้องภาวนาพยายามดื้อๆไปพยายามให้มันน้อยไปท้อไปน้อยไปถ้อไปท้อไปน้อยไปยวก็เห็นโทษขึ้นเห็นประโยชน์มันมากเห็นโทษมันมากขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราทํากันอยู่เนี่ยถ้าไม่เห็นโทษมันลเลือกไม่ได้ถ้าเห็นโทษมันทุกอย่างจึงเลือกมันได้และถ้าเห็นประโยชน์มันเห็นคุณค่าของมันจึงทําประโยชน์ที่ดีได้อันนี้มันเนื่องจากการพิจารณาภาวนาฉะนั้นญาติโยมเราทุกทุกคนจงตั้งอกตั้งใจการฟังธรรมนี่มันดีฟังเฉยๆมันกลไม่ดีจะต้องไปภาวนาพิจารณา พี่จะน่าเห็นข้อเท็จจริงมา น, นี่คืออะไรสมัยบรมโบราณของเราฟังธรรมอาบุญเป็นนั่งฟังอาบุญเจ้ยเนี่ยสมัยนั่งก่อนเนี่ยจะมาเป็นสมนเย น, นอยู่เนี่ยอชาวว่า น, นี่โอ้ลําบากเกินเนี่ยอาจจะมีศีลห้าสักคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีซะเนี้ยเป็นเป็นนินน้อยดูอยู่เนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยสนใจท่าก็ไม่ไม่สอนในในทางที่สนใจ บ้านอต า, าตมาตรงนี้อืก็ดีเอาข้าวเปรีผ้าฉันดีอยู่พระก็ไม่รู้จักสอนสอนไม่ถึงที่สุดอ <c oughs> ืไม่ถึงที่สุดไม่รู้จักสอนในญาติโยมแจรละบาปไม่ค่อยจะมีตรงนี้ก็อยู่กันไปอยู่กันไปเรื่อยมาอย่างนี้ก็อยู่กับพระนั่นแหละอยู่กับวัดนี่แต่ว่าพระก็พูดไปอย่างหนึ่งโยมตัวอยู่คนในอย่าง พูดตามความจริงแล้วตามอาตมาระลึกได้น่ะเป็นเนนอยู่นี่เป็นเด็กอยู่นี่ไม่เคยเห็นโยมบ้านนี้สมาทานศินห้าจริงๆจังๆไม่เคยมีแต่ว่ามีคนชื่อสัตว์สุจิตอยู่มีหลายคนอคนชื่อสัตว์สุจริตจะตั้งใจฟังธรรมให้มีศินห้าจริงๆริงให้ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยมีว่าเงินน่ะเสียดายโยม เจไดมนุษย์พุทธบริสัตร์ทางหลายที่เกิดมาเป็นคุ้พุทธศาสตร์ธนาแล้วนะ่ะนั่งเฝ้ากันจะพูดให้กันฟังอยู่นะ่ะน่าจะพูดอันนี้ให้ให้กันฟังไปพูดสิ่งโน้นอเอาหนังสืออะไรมาเขียนอยู่นะี่ตามในตู้อาจะมาอ่านในจบมันตายให้ทานกานรนักษาสนาไม่จะอา น, นิสงส์ให้มันพูดอา น, นิสงส์บวชตู้ได้อา น, นิสงส์เท่านั้นกับ บวชหลานได้อานิสงส์เท่านั้นกลับบวชตัวเองได้อานิสงส์เท่านั้นกลับบวชผัวยิ่งได้หลายกลับเหมือนะมันเทาให้บวชยากบวชเมียก็ยิ่งหลายกลับจะไม่มีใครจะได้แล้วบวชทั้งหลายบวชแต่คนอื่นซะโดยมากอาจจะมาทํางแกลับหนึ่งมันเท่าไรโอ้ยกลับหนึ่งเท่าว่าสูงโยดหนึ่งด้ยพ่วงกว็โยดหนึ่งสูงก็โยดหนึ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งร้อยปีทิพเทวดา เอามาเล็ดงามาทิ้งใส่เม็ดหนึ่งร้อยปีทิพย์ถึงเอามาอุยอัตมา ก, ก็เชื่อองเดี๋ยวนี้อัตมาไม่ใช่โกหกร้อยปีทิพย์เอามาเล็ดงามาทิ้งใส่มันไม่ทันมดงามหรอกมดงามขนไปกินหมดเลยไม่ดูจักประมาณกันหรอกนั้นเอามาเทาใส่วันตะบุงถึงวันตะบุ้งก็ไม่พอหมดนี่คือทำฟังให้คนฟังหลงหลงจนเชื่อ ห, หลายๆตับ มันหลังแบบกลับมันจะยังไงน้องพ่อกลับมันเป็นยังไงกลับมันก็ตายนั่นแล้วกลับมาอีกก็ตายอีกนั่นแหละกลับมาอีกก็ตายอีกนั่นแหละกลับมาหลายหนมันก็ตายหลายหนน้องฉันไม่เอาไม่เอาก็อย่าเอาดิถ้าเอากลับมันเป็นอย่างงั้นแหละดูสิกลับมันจะทันเขาเมื่อไรเน่ะไปนี่ถึงเมืองอุบลไปถึงเมืองบนโอ้ยลืมกระเป๋าโยมวัดนองประพงเนี้ยเดี๋ยวก็กลับมาวัดน้องประพงษกระเป๋าไอคนที่ไปเข้าไปนุ่งถึงอำนาจแล้วอืไปถึงนั่นอีหลืมอีก ก็กลับเอากระเป๋าอีกเลยมากลับไม่เสียเวลาทั้งนั้นอาจจะมาถึงมามาหลายกลับกระจายหลายหนเอาไหมนี่มัน ต, ต้องเป็นอย่างนี้มิ่นั้นเรามีโยมกลับกันอืสมสบ า, ายในหลายนี่พูดถึงการได้ที่พระพุทธองค์ของเราเนี่ะถ้าพูดถึงสัญญาไปเป็นอะไรมันเลยเป็นอะไรมันก็เป็นอะไรนั่นแหละถ้าเป็นอะไรมันก็นทุกทั้งนั้นอย่าเป็นมันเลยถ้าเข้าสู่ธรรมะเราไม่เป็นอะไร เป็นคนก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอะไรนเราไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะหายคนมีอะไรก็มีอะไรจะหายคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะหายของเราไม่เคยหายแล้วก็ไม่เคยทุกข์ใครมีของของนั่นจะหายเมื่อของหายคนนั้นจะมีทุกข์แน่ถ้าเป็นอะไรมันเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นการทําบุญ ท, ท, ที่จริงที่แท้จริงโน้นเป็นที่สุดแต่คนเราคิดยากคิดไปไม่ค่อยจะไหวจะไปพระนิพพานกลัวห่วงห่วงจะไม่เห็นลูกจะไม่เห็นหลานจะไม่มรคนนึ ก, น, กนึกไปอย่างนั้นอันนี้ก็อบรรจารนันนันชันนันให้ถือป่าปัจจุบันปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ว่าจะทำอะไรก็ทำกันเสีย ท่านปราศรนะเช่นทำกำหนดกฎเกณฑ์ไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งให้มีวันพระอยู่เดือนหนึ่งมีวันพระถึงวันพระเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่สิบสสห้าค่ำ4ีเถือสตีหนนะให้พยายามมาอบรมให้มันรู้จักอะไรมันเป็นอะไรการที่มาฟังธรรมนี้ให้รู้จักนี่กระทำภาวนา นังสมาธิให้จิตใจมันสงบใจเราไม่เคยสงบหนะืมไม่เคยสงบใจเราไม่เคยสงบใจเราก็ไม่มีกำลังเพือฝันไปทุกสิ่งสารพัดอย่างฉะนั้นในทำในปัจจุบันอย่าไปอาุนเดือนหน้าอย่าไปอบุนปีหน้าอืให้รู้ปัจจุบันเดียวนี้อยากทะท่าทำไรปก็ทำเชีย ส่วนทั้งหมดที่สิ้นสุดก็คือทำบุญเอาจิตทำจิตเจ้าให้เป็นบุญเป็นสิ่งสี่งสำคัญมากที่สุดถ้าจิตเป็นบุญแล้วจะไม่ทำอะไรมันก็เป็นบุญมีเหตุที่จะต้องทำมันก็ทำเป็นบุญพูดก็พูดเป็นบุญทำาดยกายก็เป็นบุญนึก้วยจิตมันก็เป็นบุญบุญข้างนอกที่จะเกิดขึ้นมานี่ที่เราจะทำอันโน้นอันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากจิต ถ้าจิตบริสธิ์มันเป็นบุญมิฉะนั้นคู่มีจิตเป็นบุญนั่งอยู่มันก็เป็นบุญเดินมันก็เป็นบุญนอนอยู่ก็เป็นบุญฉะนั้นจริงว่าคนผู้มีบุญคนผู้ที่มีบุญไปอาศัยพึ่งบุญท่านก็ได้ถ้าไปอยู่กับท่านไปอาศัยผู้มีบุญก็กสบายไม่หยิบฉาและไม่พยาบาทนยสงเคราะห์แนะนำทุกสิ่งทุกอย่างในความรู้ในความฉลาดในความสบาย ได้หลายอย่างขึ้นเป็นทุกมาช่วยแก้ไขนี่เลยว่าไปหาท่านผู้มีบุญถ้าคนที่ไม่มีบุญในใจไปก็แนะนำเราไปทางชั่วทังนั้นแหละไปทามความชั่วท้งนั้นแหละไม่รู้จักแนะนำให้มนุษย์ทางไหนออกจากทุกมีแต่แนะนำให้บุคคลอยู่ในทุกตอนนั้นแค่นั้นเราอยู่ด้วยธรรมะสบายกันมีความสงบสบาย งัจะนั้นธรรมะนี่จึงฟังฟังไม่เบื่อบางคนนะบางคนก็เบื่อนะเทศธรรมเดื่ออันนี้ไม่ใช่ของเราเราลุกนี้ต่อหน้าก็นี้เลยอืมัมนสู้หรืออย่างแรงมันไม่รับไม่ยอมรับเลยแต่ก็แต่ก็ไม่พ้นแต่ก็ไม่พ้นลุกนี้ไปมันก็ตามไปตรงนั้นแหละไม่ทิ้งอยู่ที่นี่อาไปทิ้งอยู่ที่นู้นเหมือนโจรนะมันพ้นอยู่ทุกวันทุกวันมันไม่ปลอดภัยเราวันหนึ่งเจ้าหน้าที่จับจนได้มันทําผิดอยู่เนี่ย ยันหนีไปกระจังตึงนอกจากเราชาวหยุดการปนเท่านั้นแหละถ้าเราปนอยู่ทุกวันทุกวันเออลองดูเถอไม่วันหนึ่งก็ต้องวันนึงเนี่ยจนได้อันนี้ผืเหมือนกันถ้าเราไม่ยอมรับหนีไปอะเออต้องพบกันมันหนึ่งจนได้อไม่ใช่วันนี้ไปแล้วมันเด้ฉันไม่เขาไม่ทำบุญหรือทาไปอย่างนี้น่ะทําไปเมื่อก็พบกันทางนาทําำกงชั่วไอ้นึกว่าทําแล้วมันได้อะไปนะมันไปพบกันอีกนามันไปพบกันอีกอืมนะ มันไปพบกันอยู่ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ปั้นนี้ไม่ได้ปรืนนี้ก็เดือนนี้ไม่ใช่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ใช่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ใช่ชาตินี้ก็ต้องชาติหน้ามันต้องเอาจนได้ถ้ารอบนี้มันไม่พ้นอ่ะอืันให้ประกันเข้าใจอย่างนี้ทุกๆคนไม่ต้องอะไรทำจิตให้มันเป็นบุญถ้าไม่จะทำจิตให้เป็นบุญแล้วเห็นแม่ของเขาก็เหมือนแม่ของเรา เห็นพ่อของคนอื่นเขาก็นเหมือนพ่อเราเห็นพี่ของเขาก็นเหมือนพี่เรา mm. เห็นน้องของเขาเ็นเหมือนน้องเรา mm. เห็นลูกของเขาก็นเหมือนลูกเราเ mm. นี่ย mm. เท่านี้ก็เป็นบุญแล้วอืมอืเท่านี้ก็เป็นบุญแล้ว่านนียมันไม่ทำอะไรกันภาวะทุกวันนี้ยิ่งยิ่งไม่ค่อยจะดีนะถ้าตะมาว่าอุบาสิกาอุบาสกธรรมน้อมเข้าไปในในธรรมะอาจจะมาว่า บ้านเมืองเราสมบูรณ์แก่ภายในคือธรรมะอืมในความอิจฉาและพยาบาทกันในภายในไม่มีมันไม่เป็นอะไรแล้วฝนเราอืมไล่มันหนีมันก็ไปหนีแล้วถ้ามันอยู่ไม่สบายมันต้องไล่มันออกมันออกไปเองของมันเราต้องแก้ที่ต้นตอมันนี่ดีกว่าออแต่ว่าคําฆ่านี่ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่ยมีราคานะอืถ้าคนขนาดหนึ่งฟังไม่มีราคา ถ้าคนขนาดที่สองฟังโดยมีราคาถ้าคนขนาดที่สามจะฟังหาราคามีได้เนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นของหาราคามีได้ไม่ใช่แบบของไม่มีราคานะ่ะมันเหนือกว่าของที่มีราคาเท่งนั้นแหละแต่ฉะนั้นการเข้าฟังธรรมะนี่มันนานที่จะเข้าใจมันมีอะไรมันปิดบังอยู่นั่นแหละมันบังอยู่นั่นแหละต้องพยายามฟังฟังจะต้องไปนั่งดับตาพิจารณาให้มันเห็นชัดเรียกว่าศีน สมาธิปัญญาสิ่งทั้งสามอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นมรรคเป็นทางเดินของบูวาสกุปิการเราทั้งหลายทุกวันนี้ชาวมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เป็นที่พอใจของอัตมาที่มองดูแลคือไม่ใช่อย่างนั้นแค่คนทําบาปอยู่เป็นต้นก็ไม่ไม่ใช่เราจะให้หยุดกันหมดนะให้ค่อยๆเห็นมาถ้าเห็นมามันก็น้อยลงท้อลงทอลงท้อมันค่อยๆหมดมันไป อันนี้ไม่มีใครจะถอยมันแข่งกันไปทางนั้นเน่ะในความอิจฉาพยาบาทคนืหนือยิ่งแข่งกันไปใครมีอํานาจร้ายก็ยิ่งแข่งกันไปเรื่อยๆมันเป็นวีทีแบ่งวันพระเป็นวิทีแบ่งหรือเป็นวีทีรบมาเทศมาฟังเทศกับพระทันเทศวิธีแบ่งไม่ให้เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราทางไหนมันต้องมีมีวิธีคูณถึงนั้นเน่ะ ไม่ร that, ู there. There ้ไปอยากใส่ตรงไหนไม่มีลบมันบ้างทาไมเลขมียังไงบีทีบวกบีทีลบบีทีหารบีทีคูณอย่างนั้นนะถ้าหากใจมนุษย์มันมีมีวิธีคูณอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งแล้วก็ไม่ต้องลบทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะจะไปใส่ตรงไหนมันจะพอล่ะมีไหมจำนวนเลขมีไหมมีวีธีคูณอย่างเดียวไหมถ้ามันมากกันก็ให้ลบ มันมาก ก, ก็ให้แบ่งให้มันพอดีหาความพอดีของจํานวนของเลขกันแหละเราไม่เอาจอ้างน่ะคูนคจะพึ้นทั้งนั้นอ่ะเออไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วไม่ต้องแบ่งใครและไม่ต้องลบออกแต่บแบกมันจะพึดด้นเลยทําไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะรถสิบรอบมันก็พังทั้งนั้นน่ะไม่มีเหลือแล้วขนใส่ไม่หยุดเนี่ยร่างกายกจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เรียกว่าวิธีแบ่งหรือวิธีลบ เพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะมันมากขึ้นมาก็ให้แบ่งมั่งอย่างเรามีลูกชายคนนี้หรือมีลูกหญิงคนนี้มันดีสอนมันได้ตลอดมาลูกชายคนนี้มาอีกวันหนึ่งเท่านั้นสอนไม่ได้มันไม่ไปพ่อแม่ก็โกรธทัแล้วทำไมไม่เอามาบวกกันทีเนี่ยเราใช้มันมาตั้งสเดือนหเดือนมันไปทั้งนั้นมันฟังความทั้งนั้นวันนี้พูดวันเดียวท่านั้นมันไม่ไป ทำไมถึงไปเกลียดมันนักหนาละ่ะจะทำไมถึงไปฆ่ามันจังไปไล่มันหนีละ่ะทำไมไม่เอาที่เอาวันหลังๆที่เราใช้มันมาเอามาบวกเขากันบ้างทำไมอันนี้มันทำผิดบันเดียวทำไมถึงโกรธหนาโกรธหนาละ่ะถ้าเป็นงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออก บ, บ้างสิก็เรานั่นแหละมันคิดไม่ค่อยเจรดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมัน มีแต่ทำบิทีคลนทั้งนั้มันก็ตายเนี่คนไม่มีเหลืออะไรมันจะเหลือแล้วลองลองดูเสียแล้วก็ต้องบอกมันทีวันนี้ใช่มันไม่ไปเออเราใช้มันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันฟังทั้งนั้นมีวันเดียวเท่านี้แหละให้อะไรมันเถอะอันนี้มันก็เรียกว่าลบมันดิหรือแบ่งมันวันหลังก็ใช้มันอีกได้อันนี้มันใช้มันมาตั้งหลายปีแต่วันเดียวมันพูดไม่เชื่อเท่านั้นเน่ยโกรธไอ้มันนะือจะทํายังไงมันแล้ว อันนี้เป็นเพราะเราด้วยนะอย่าลืมดิธรรมะก็เหมือนเหมือนจำนวนของเลขมันมีวิธีคูณมันมีวิธีแบ่งมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้นะเราคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดดูจาักการดูจักเวลาควรที่ลบกับลบควรที่แบ่งกับแบ่งควรที่จะคูณก็คูณควรที่จะรวมกันเข้ากับรวม ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คูณทุกทีนะออใจคนหนึ่งมันจะตายแล้วเนอ่ยนนะคือเรื่องไม่รู้จักพอนั่นเองนะคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่คนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักพอคนรู้จักแก่ก็คือคนรู้จักพอถ้าพอแล้วกับคำที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะ คำที่ว่ามันไม่พอหรือคที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมีแต่แบกไปตะพุ้นทั้งนั้นเลยถ้าหารูปจะพอหรืเอาละถ้าเราบ่กเอาละก็เดยกสบายเลยมันพอแล้ว <c oughs> นี่คําที่ว่าเอาละนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลยไม่เคยเหวี่ยงไม่เคยปงไม่เคยวางมันทั้งนั้นเนี่ยเออเอาตลอดไหนไปไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยออาจะมาเห็นยายคนหนึ่งนะ คือคนไม่รู้จากพอ่อไม่รู้จักอิมนะมีลูกชายคนเดียวนาก็มีหลายทุง่งบ้านก็มีหลายหลังยายคนนั่นก็คิดไปคิดแม่เมื่อเราตายจะทำไงนอ้อลูกลูกมันจะมีทิ้งเข้าของหมดเลยคิดไป่างกไม่ได้เราะจะต้องแต่งงานในมันจัมันจ ะ, น จ, ะจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องนี้ พอได้ไปแต่งงานให้หมันลูกชายคนเดียวนะ่ะพอมาแต่งงานให้มันเสรแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้วอหากว่าลูกชายเราตายจะทําไงหนลูกสะพ้าจะเอาไปคนเดียวหมดมั้งเนี่ยเป็นทุกข์อีกเแล้วออืคือไม่ดูจากพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะพ้ายก็กลัวมันจะหนีไปเที่ยวไปเกยหาลูกสะพ้ายมาให้หาเมียมาให้มันก็คิดไปอีกว่าเมื่อลูกชายตายทําไง เรามันแย่มันไม่มีใครเฉะี่ยลูกชายคนอื่นกยย็านนามาเอาไปหมดเท่านั้นเนีะยิ่นโลนมาอีกซะแล้วอันนี้มันตัวจริงนะม่นใจนิทานนะนี่นะอืมก็ได้ขึ้นมาฮจะมาอยู่ที่วัดมากราบนีงมาเล่าให้ฟังน้องพ่อมันเป็นอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นจะทํายังไงอ่ะเล่าไปมีลูกชายคนเดียวอมืมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็ามากอืม ยิ่ฉันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มก็คิดว่าไปแต่งงานในมันสิก็นึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลุกชายเราตายจะทำไงน่ะลูกสะไพ่ก็เอาไปกินหมดแล้วนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่จบโย่มคิดอย่างนี้อัตมา ก, ก็ก็โจนใจเหมือนกันนะนั่น น่าจะไปโน่นนังไปเข่าไปฟังเทศอยู่ทธิวัดเออตรออมสีมหาโพนี่นดีกว่าเนอะมั่งเนี่ยจะเอาที่ตรงไหนละ่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวก็ไม่พอแล้วก็เป็นไปอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้ก็นานเห็นจะเห็นจ ะ, จะตายแล้วป่านนี้นะมไม่เห็นมาล่ะนี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั้นเป็นอย่งั้นต่อไปตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะไร ในวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยอันนั้นเรียก ว, ว่าคนไม่รู้จักพออืมไม่รู้จักพอจะให้มันเป็นไปติดต่อนอเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากลําบากมิฉะนนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมไปในปัจจุบันนี้อบรมไปเรื่อยๆไปให้รู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่แก้ปัญหาในเฉพาะในปัจจุบันของเรานี่แหละใหญ่มันเป็นทุกข์เลยให้แก้ปัญหาหมันได้ในปัจจุบันนี้อืม ถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่จบมิฉะนั้นการฟังธรรมะนี่อาจะมาว่ามันไม่แปลกกันกับจำนวนของเลขวิธีทำเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบง่งออกให้ได้จำนวนของมันความคิดความรู้สึกของเรานี้ก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่าไปโทษมันื้อสิให้โทษมันดื่อไม่ได้เรา ต้องแบ่งภาระให้รู้จักการรู้จักเวลาสงควรถ้าเรารู้จักเป็นวันพระอย่างนี้นานๆยีนน่สิหกวันนำมาวันพระกวาวันพระมันสี่วันท่า น, นเดือนหนึ่งมีสี่วันพยายามวันนั้นให้ทำมาหากินเสียแล้วก็มาอบรมอบรมแล้วก็ไปทำมาหากินก็จิตใจมันจะบุญไว้ก็เข้ามาอบรมอีก ก็ไปทำมาหากินต่อสู้กับโลกไปอยู่อย่างนี้นะมันก็รู้จักทางทำมาหากินอยู่ไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จะเห็นว่าอันนี้จังมันไม่เที่ยงพลขึ้นมาถ้าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นก็ดูที่ชาวพุทธเรานวะนะอาตมาก็มาคิดดูทีว่าตั้งแต่อาตมาเกิดมานี่นะคนเราเนะ่ะมัน พระพุทธเจ้าต่างสอนมามันเกิดแล้วมันแก่มันเก็บแล้วมันกดตายฟังกันทุกคนทุกคนละ่ะพ่อแม่เราเสียไปญาติพี่น้องเราเสียไปไ ป, ไปทําศพกันเนี่ยเอาพระไปเทศต่างปรเทศในฟังนะ่ะท่านต่างปรเทศในฟังหด่อยมันก็แก่เก็บตายตา ย, ตายแล้วก็เห็นด้วยนะแต่ว่าตายทุกคนร้องไห้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นไงพระต่างประเทศในฟังอยู่ดื้อๆนะ ญาติเราทุกคนที่รักของเราทุกคนเมื่อจากเราไปร้องไห้ทุกทีไม่ได้ภาวนากันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้คิดกันมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้บ่าท่านบอกมันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็บอกเราก็เห็นอยู่มันก็เปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พิจารณานะก็มีความโศกเศร้ามีความน้อยใจมีความผิรัยลําพันธ์อยู่ตลอดการตลอดเวลาตลอดยุคในปัจจุบันนี้นะบ้านอาตมานี่บ้านกอ่อนเนีนะ่สมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเนี่ยนะ คนในบ้านตายเนี่ยโอ้ยมันร้องไห้อยู่ตักงห้าวันหกวันไม่รู้ว่าเป็นยังไงอืเราก็เห็นว่าคนตายไม่ไม่คืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จําทุกทีมันขาดการภาว น, นาขาดการพิจารณามาสมัยนี้อาตมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดน้องประพงเนี่ยประมาณตั้งสามสิบปีมาแล้วเนี่ยนะออญาติพี่น้องเสียไปนั่นพ่อแม่พี่น้องเสียไป ไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้อืมไม่เคยเห็นร้องไห้ก็ น, นิดนิดในน้อยแต่น้ำตาไหลนิดเดียวเท่านัน้นก็พอสมัยก่อนมันร้องมันร้องตะโกนอยู่ก็กกทั้งคืนก็นทั้งวันจนนำคาญอันนี้ก็อาจจะมาเห็นว่าที่เรียกว่าที่จะม า, าอบรมกันเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนนี้สุพอสมควรคือได้ยิน บ, บ่อยๆได้ฟังบ่อยๆเมื่อได้ยิน บ, บ่อยๆเมื่อได้ฟัง บ, บ่อยๆ มันก็ความรู้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆความรู้เกิดขึ้นบ่อยๆความฉลาดก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อความฉลาดเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเป็นต้นมันก็ความพ้นทุกข์มันก็เกิดมีมาดีๆอืมฉะนั้นมันดีแล้วพวกเรามันมันได้ส่วนแบง่งส่วนแบ่งจากปาาริ์ทั้งหลายว่าเดือนหนึ่งเราได้ยี่สิบหกวันอืมให้มาอบรมสี่วัน ให้พิจารณามาให้พระให้ความเห็นให้ไปคิดให้ภาวนาพิจารณาถ้าหากว่าท่านมอบให้เราหมดทั้งสามสิบวันก็คงจะแย่ละมั้งนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนี่เดือนหนึ่งสามสิบวันท่านให้เรายี่สิบหกวันทามาหากินก็พอแล้วท่านให้มาอบรมเป็นมันพระสี่วันอย่างนี้ก็พอสมควรพ่อจะรู้ระเห็นเนี่ย แต่สมัยนี้มาขโมยวันพระไปหมดเลยแล้วแบ่งกันข้างหนึ่งเอายี่สิหกวันข้างหนึ่งเอาสี่วั น, นยโยมเราโดยมากบางแห่งมาขโมยวันพระไปหมดแล้วไม่มีเรือคือวันพระก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเขาวัดฟังธรรมไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเหมาเอาทั้งหมดทั้งเดือนตั้งสามทีบานเอาคนเดียวหมดโดยดูที่ทุกวันนี่ไปดูวันพระตามวัดตามวา น, นี่ยญาติโยมจะเขาวัดฟังธรรมฟังเทศไม่ค่อยจะมีหรอกเอาหมด เอาจนสามสิบวันอแตมาว่าท่านแบ่งให้ยี่สิบหกวันก็พอแล้วพอควรแล้วพระท่านเอาไว้สี่วันให้มาอบรมเนี่ยี่ก็ก็พอสมควรเนี่ยอืมอ ม, มากพอควรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไปพิจารณาอือย่างอแตมาเล่าให้ฟังกันแหละไอเสียงทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่แม่นอนอยู่อย่างนั้นท่านบอกเราก็เห็นด้วยว่ามันไม่แน่แม่นอนอยู่แล้ว เมื่อความไม่แน่ไม่นอนมาถึงเรามันร้องไห้เสียอกเสียใจทําไมไม่ภาวนากันนี่นะไม่ภาวนากันไม่เห็นธรรมะอืไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรได้มาแล้วก็อุ้ยดีใจหลายดีใจนั่นแหะมันเป็นโทษมากทีเดียมวมันเสียไปมันก็เสียใจหลายเหมือนกันให้มันมากทุกอย่างเลยมันพอดีพอดีเลยว่ามันได้มาแล้วก็เหมือนกับมันเสียไปแล้ว เสียกว่ามันไม่กับมันได้มาแล้วอะไรที่มันมีอยู่อันนั้นนะมันจะเสียแล้วอาตมาเคยส่งส่งความคิดถึงไปญาติโยมไปเพื่อนพี่น้องทั้งหลายว่าไอ้คุณอยู่ที่นี่ยคุณรักอะไรมากคุณห่วงอะไรมากห่วงลูกมากห่วงเข้าของมากห่วงยศอะไรนี่มากที่สุดรวังตัวนั้นนะมันจะดิ้นงานเรานะผ่าเจ็ดเท่าอยู่กลางๆมันใดไม่ดิ้นงานนรก ไอตัวที่เราห่วงมากมากเรารักมากๆระวังหลวกชายหวัวแก้วหวแหวนระวังที่รักมากมระวัง น, น่ะอีกวันหนึ่งมันจะเกเอณีไปมันจะตกนรกทางนั้นระวังดีดีเถอะนะคนใช้อยู่ในว่านเราใช้มันทุกวันทุกวันไม่กระไรหรอกระวังที่ตัวสําคัญนั่นเนี่ยตัวสําคัญนมันกลับอืนนเมื่อได้มาแล้วแต่มาเออมันจะดีใจเอออันนี้ก็เป็นของไ่แน่ต้องต่อมันไว้ ถ้ามันเสียไปเอออันนี้มันก็าม่ป็นแน่แล้วมันเสียไปก็เพราะมันมีนี่อือย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆไปอ ย, อย่างนี้เราก็จะพอประทังนึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั่นน่ะท่านสอนไว้ท่านบอกไว้จะเป็นความจริงทุกอย่างทุกประการทุกวันนี้คนเราไม่เห็นความจริงก็เพราะเราไม่รถวนาคือไม่ไไรพิจารณาตามความเป็นจริงของมันนี่ ถ้าเห็นความตามเป็นจริงของมันแล้วก็กไม่มีอะไรมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วครับสมกับคําที่ถนอกมันไม่แน่อเนี่าจจะมาเดื่อยผ่านไปในเมืองอะใครร้องเพลงก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายเอื้ออันนี้มันเพลงพระพุทธเจ้านี่ไววหวนะญาติโยมเหิ่จะตั้งใจฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่หรอกนายไม่แน่หรอกนายคงจะเพลินไปทางอื่นก็ไม่รู้ระวังนะมันมันจริงนะเนี่ย รักมันก็ไม่แน่หอกนะเกลียดมันก็ไม่แน่นั่นนะมีมันก็ไม่แน่หรอกนะมันไม่แน่น่ะนะฟังในดีนี่เดคือพระอันนี้จังทุกขังอนน่ะเรื่องไม่แน่น่ะคือคือสิ่งที่มันแน่ที่สุดคือเรื่องมันไม่แน่นั่นแหละอย่าไปว่ามันไม่แน่เลยท่านว่ามันไม่แน่ดอกนายไม่แน่หรอกนายฟังเดีเพลินไปอย่างอื่นเต้องเอามาภาวนาจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนอย่างนั้นถ้าเราเห็นความไม่แน่ก็คือเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ท่านมีธรรมะอย่างนี้ท่านจึงกัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปอยู่เป็นต้นเป็นธรรมะของท่านเมื่อเห็นธรรมะของท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้กลาบธรรมะของท่านก็ได้กล่าบพระพุทธเจ้าเมื่อได้ฟังธรรมะของท่านก็มันได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ว่ามันไม่แน่หรอกไดยให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ของไม่แน่นั่นเนี่มันแน่อย่างนั้นเราเรียกว่าอนิจจังมันเป็นของไม่แน่นี่ ของไม่แน่น่ะมันแน่หรือเกินนั่นจะว่ามันไม่แน่หรือไงแน่ยังไงมันไม่แน่เน่ยแน่คือมันจะเป็นอยู่ของมันอย่างนั้นมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเกิดได้มันแก่มันแก่แล้วมันเก็บมันเก็บได้มันก็ตายมันไม่แน่อย่างนี้แต่มันก็แน่อยู่อย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนเนี่ยมันความจริงอยู่อย่างนี้อันนี้ให้สาธุชนทั้งหลายซึ่งมารวมกลุ่มฟังธรรมะวันนี้ให้เอาไปพินิษพิจารณาให้เห็นข้อเท็จจริงในธรรมะเมื่อเห็นธรรม ได้ฟังธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะธรรมะกับพระพุทธเจ้ามันอันเดียวกันพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็กระทู้ธรรมะธรรมะเนี่ยไปให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นธรรมะก็เหมือนเราเห็นท่านเมื่อเราฟังคําท่านก็เหมือนในฟังธรรมะมันอันเดียวกันเั่งนั้นแต่นั้นมันขาดการพิจารณาพวกเราทั้งหลายนั่นนะนนมันไม่พอเมื่อได้ภาวนาแล้วว่มไม่พอนี่ย ถ้าไม่พอแล้วมันก็ไม่แก่นะถ้าไม่แก่แล้วมันก็ไม่พอถ้าแก่แล้วมันก็พอมันพออัตมาถึงว่ามาฟังธรรมแล้วกลับไปบ้านไปเขียนอักษรพอไปประตูดีกว่านะอักษรพอเดินเข้าไปจะได้เห็นอักษรพอนี่ตัวพอนะออกมาก็ให้แบบพอนะอยู่ตรงนั้นแหละเข้าไปก็พอพูดพอตัวเดียวเท่านั้นแหละเดียกวมันพอหรอกมันได้ยินทวนมันได้พิจารณาอย่าง เอาอักษรพอไปเป็นคำโมริรมถ้าใครเป็นผู้พอแล้วคนนั้นสบายคนนั้นสงบคนนั้นระงับพอพออะไรพอในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นเลมในสิ่งที่มันมีอยู่มันเอาเหลือสิ่งที่มันมีไม่ได้หรอกคนเราเอาแต่สิ่งที่มันพออยู่มีอยู่นะได้แขนไหนก็เอาแข่นั้นจะพยายามจะเกียกต์ะกายหามาเพราะมกวนให้มันไหนมากแต่มันไม่มากนได้เท่านี้ก็เอาเแถวนี้มันก็สบาย มันในแถวนี้มันก็ไปเอาอย่างอื่นดีมันก็วุ่นวายกันในครอบครัวก็ทะเลาะกันเท่านั้นแหละนี่มันไม่สบายแล้วที่นี้อักษรพอจึงเป็ น, เ ป, นเป็นคำสอนของพระที่สําคัญอันหนึง่งถ้าเราไปพิณิทิจนาเราจะเห็นความจริงกันนั้นจะทําทใจเราให้มันเบาลงอือันนี้มันทําำในพิธีคูณกันไม่เคยทําวิธีลบเลยไม่เคยทําวิธีหารเลยมีแต่บวกก็คูณจะพึ้รลดสิบล้อมันก็พังทถึงนั้นเนี่ย ไม่วาตะใจของมนุษย์หรอกมันมีเหลือแล้วทั้งนั้นนะเนี่อย่างนี้เราก็จะสบายอย่างนั้นอยางนั้นอา น, นิสงส์ของการที่ว่าพระพุทธเจ้าแบ่งให้เราเป็นวันพระสี่วันนี่ให้กันพยายามพระใชจของเล่นนะเราทํามาอาชีพยอย่างอื่นยี่สิบหกวันพออยู่แล้วไม่ใช่ว่าแต่มาวัดอยู่ในบ้านก็ให้ทําความสงบว่าอนนี้วัดนี่วัดนีวั ด, วด วัดจะหมายว่าแทกดูก็ได้แล้วว่าดูก็ได้อย like ู่ที่วัดเราก็อยู่วัดธนวัดเป็นวัดดูว่าอออันนี้มันใกล้คําสอนพระพุทธเจ้าหรือยังเราพูดอย่างนี้ดีแล้วหรือเราทําอย่างนี้ดีเราหรือเราอยู่ทุกวันนี้ควรเราหรือเปล่าเราได้วัดดูหรือยังแทกดูหรือยังอย่างนี้ภาษาโบราณไปวัดไปวาทุกวันนี้มาไม่ได้มาวัดคือมาไั่ได้วัดดูแล้วไม่ได้วาดูด้วยสมัยก่อนท่านไปวัดไปว่าเนยคือไปวัด ใจแล้วก็คําสอนของท่านมันเป็นอย่างไรไหมแท็กดูวาดูใกล้หรือยังอืใกล้หรือยังใกล้คําสอนของท่านหรือยังเนือมันเคลีจากคําสอนของท่านอยู่อันนี้เราเจริญวัดดูท่าเราวัดดูเร็วกว่าเราจะรู้จักว่ามันใกลคําสอนของท่านแน่หรือหรือมันใกล้หรือยังหรือเป็นยังไงเราก็รู้ตัวของเรานนัเนียกว่าไปวัดไปวาไม่ใช่ว่ามาวัดอย่างเนี้มาวัดอย่างนี้มาวัดนี่ก็ไม่ได้วัดก็เหมือนกันก็ไม่ได้มาวัด ไม่ได้แท็กดูคืเหมือนไม่ได้วัดดูนั่นเองะนีะ่ยคำที่ว่าให้เข้าวัดเมื่อถึงวันนั้นมาอยู่ในบ้านเราก็วัดดูคือเราได้ภาวนาอยู่พิจารณาอยู่นั่นแหละถึงจะรู้เรื่องพวกมันตามความจริงได้บางคนเอ้ยนี่ก็เข้าวัดเนี่ก็เข้าวัดผมนี่ไม่ไปคําที่ว่าวัดมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้านเราก็เป็นวัดให้เราพิจิตรพิจารณาก็ให้เห็นความจริง ถ้าเห็นความจริงแล้วมันก็มันก็แค่นั้นแหละมันลดลงไปเองของมันมิชนานญาติโยมทั้งหลายถึงมาฟังธรรมวัาานนี้จงน้อมกับไปเป็นโอปนาลิกธรรมเอาไปพินิจพิจารณาให้ถึงแก่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราบัดนี้การอบรมกับสมควรกับเวลาแล้ว